จเจรอนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาพู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันที่22พสิบสกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรม วันที่สาธุชนพุทธบายสัตว์ทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสาระที่พึ่งทางใจสารณะที่พึ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีที่พึ่งอันใดที่จะเลิศที่จะประเสริฐเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะ เป็นสาระเป็นที่พึ่งอันเดียวของใจที่พึ่งอื่นๆนั้นไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเช่นบ้านที่ว่าสายยารักษาโรคเครื่องนุมม่งห่มหรือทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเป็นที่พึ่งของกายที่พึ่งของกายกับที่พึ่งของใจนั้นมีความต่างกัน ต่างกันที่ที่พึ่งของกายนี้มีวันเสื่อมหมดไปได้แต่ที่พึ่งของใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีวันเสื่อมหมดไปถ้าได้มีอยู่ในใจของผู้ใดแล้วจะอยู่ปกป้องคุ้มครองรักษาใจของผู้นั้นให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้อยู่ปราศจาก ความทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายไปตลอดอนันตาการพระพุทธพระธรรมพระสงค์จึงเป็นสารณะที่พึ่งอันสูงสุดดังนี้พวกเราชาวพุทธที่เข้าวัดกันทุกวันพระก็เพราะการมาสร้างก็เพื่อมาสร้างสารณะที่พึ่งอันนี้เอง ใจนี้ปราศจากที่พึ่งไม่ได้โดยเฉพาะใจของพวกเราที่ยังเป็นปุถุชนธรรมดามีความโลภโกรธหลงอยู่ในดวงจิตตรงใจเปรียบเหมือนกับเด็กที่ยังไม่สามารถครึ่งตนเองได้ยังต้องอาศัยบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่ง ตางกับจิตของพระอาหารหันต์จิตกับจิตของพระพุทธเจ้าที่เป็นจิตที่มีที่เพื่งแล้วคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วท่านหลุดพ้นจากความทุกข์จากภัยอันตรายทั้งหลายแล้วแต่ใจของพวกเรานี้ยังไม่หลุดพ้นจากทุกภัยต่างๆต่อให้เรามีความร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเป็นมหาจักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเราใจของพวกเราก็ยังไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจได้เพราะลาบยศนั้นไม่ได้เป็นตัวที่จะมา ปกป้องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทรมานใจนั่นเองมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะคอยปกป้องรักษาใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้สารณะที่พึ่งทางใจนี้ก็เป็นเหมือนกับที่พึ่งของร่างกายเรามีใจก็ต้องการอาศัย อาหารอาศัยที่อยู่อาศัยอาศัยเครื่องนุ่หงห่มและอาศัยยารักษาโรคแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนกับปัจจัยสี่ของร่างกายปัจจัยสี่ของใจนี้ก็คือทางศีล ส, สมาธิและปัญญานี่คือปัจจัยสีของใจทานก ก็เป็นเหมือนกับอาหารที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความอิ่มมีความสุขศีลเป็นเหมือนเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าอาบอนที่ทำให้ใจนี้สวยงามสมาธิเป็นเหมือนที่พักอาศัยที่หลบทุกภัยต่างๆปัญญาเป็นเหมือนยารักษาโรคใจ ที่จะระงับโรคของความฟุ้งซ่านของความเครียดของความเศร้าโศกเสียใจนี่คือที่พึ่งของใจหรือปัจจัยสีของใจคือทานศีลสมาธิและปัญญาที่พวกเรากำลังมาสร้างกันวันนี้เราก็มาสร้างทานให้อาหารแก่ใจด้วยการ นำกับข้าวกับปลาอาหารข้าวาหวานต่างๆรวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยจจตุปัจัยไทยทานและปดและเงินทองเพื่อทานุบำรุงวัดวาอารามนี่เป็นอาหารของใจเมื่อได้ให้ทานแล้วใจจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจ สิ่งเหล่านี้ที่ท่านมาให้นี้เรียกว่าวัตถุทานคือให้วัตถุเข้าของต่างๆนี่เป็นหนึ่งในสสิ่งที่เราสามารถให้ได้สมมติว่าเราไม่มีฐานะไม่มีเงินทองพอที่จะให้วัตถุเข้าของเงินทองต่างๆได้เรายังมีสิ่งอื่นที่จะให้ได้อีก คือวิทยาทานหมายถึงให้วิชาความรู้เรามีวิชาความรู้อะไรที่เราสามารถสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่คิดเงินทองไม่รับผลตอบแทนก็เป็นเหมือนกับการเอากับข้าวกับปลาอาหารข่าวหวานมาถวายพระถ้าเราให้ วิทยาทานก็เหมือนกับว่าเราให้วัตถุทานเช่นเดียวกันเพราะจะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มพอสมมติว่าเรามีวิชาความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเคยเป็นครูมาตอนนี้กเกษียณอายุแล้วไม่ได้ไปสอนที่โรงเรียนแต่เรามีจิตเมตตายินดีที่จะสงเคราะห์เด็ก ในวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อให้เขาได้มีความรู้เพิ่มเติมเราสอนเขาโดยที่เราไม่เก็บเงินเก็บทองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งให้วิทยาวิชาความรู้แปลเป็นวิทยาทานทานอีกชนิดหนึ่งที่เราให้ได้และควรจะให้เพราะให้แล้วจะทำให้ใจของเรา มีความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คืออภัยทานการให้อภัยการให้อภัยนี้เราให้ตอนที่เรามีความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นโกรธเคืองเพราะความอาฆาตพยาบาทความโกรธแค้นโกรธเคืองนี้เป็นเหมือนไฟนรกที่เผาผลาญใจของเรา ส่วนอภัยทานนี้เป็นเหมือนน้ำทิพที่จะมาชะโลมดับไฟนรกที่กำลังเผาผลาญใจของเราอยู่ให้ดับได้หมดไปอย่างสนิททำให้ใจเรากลับมาสู่ความเย็นสู่ความสุขสู่ความสบายดังนั้นเราจึงควรซ้อมหรือฝึกการให้อภัย ด้วยการเจริญบุญเมตตาสเปสัตตาอเวราหมตุสเปสัตตาอปยาปั ช, ชาหมตุสเปสัตตาอคณิกาหมตุสเปสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุแปลว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรกันเถิดคือเราจะ ไม่มีเวรกับสัตว์ทั้งหลายเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเราจะขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์กายและทุกข์ใจและเราจะขอให้สัตว์ทั้งหลายหรือทำให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขใจนี่คือบทที่เราสวดกัน เวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เป็นบทซ้อมใจยังไม่ได้เป็นของจริงการกล่าวเหล่านี้เป็นเพียงสอนให้เราจําไว้ให้ได้ว่าเวลาที่เราเกิดเวลาที่เราต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลกับผู้อื่นเราต้องมีความรู้สึกทั้งสี่ประการนี้คือ เราจะต้องมีจิตที่ปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาให้ผู้อื่นปราศจากความทุกข์กายและทุกข์ใจและมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นและมีความปรารถนาที่แน่วแน่ที่จะให้อภัย ต่อผู้ที่สร้างความโกรดแค้นสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้แก่เราการส่วนนี้เป็นการฝึกซ้อมเหมือนกับการทำการบ้านส่วนการเข้าห้องสอบนั้นก็คือเวลาที่เราเกี่ยวข้องไปเจอใครไปพบปะกับใครขอให้เราสร้างความรู้สึกที่ดีทั้งสี่ประการนี้ ไว้ในใจของเราถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราจะไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทเพราะเราพร้อมที่จะให้อภัยเราจะไม่คิดทําร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเราจะมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นอภัยทานเป็นการให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้ ใจของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาป ท, ที่เป็นไฟนรกมาคอยเผาใจเราและเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราไปทำบาปทำกรรมแล้วเราก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายในลำดับต่อไปถ้าเรามีจิตเมตตาแล้วใจของเราจะเป็นสุขติ ตายไปก็จะไปสู่สุคติดังในบทท้ายสิลนที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าซีเลนะสุคติยันติสีนเป็นเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่สุคติไปสู่ภกของเทพบดาของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องมีสีลนการที่จะมีสีลนได้ก็ต้องมีความเมตตา สัพเพสัตตาอัปยาปชาุหตุมีความปรารถนาที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทาร้ายผู้อื่นการมีศีลห้านี้ก็เป็นการรักษาใจให้มีความเมตตานั่นเองเพราะเมื่อมีศีลห้าแล้วเราก็จะไม่ทาร้ายไม่ฆ่าผู้อื่นเราจะไม่ ลักทรัพย์ของผู้อื่นเราจะไม่ประพฤติผิดประเวณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นเราจะไม่พูดปดมดเท็โกหกหลอกลวงผู้อื่นและเราจะไม่เสพสุรายาเมาที่จะทำให้เราขาดขาดสติแล้วไปทำสิ่งที่มีดีไม่ดีไ ม, ม่ร้ายต่อไป นี่คือการให้อภัยเรียกว่าอภัยทานแต่เราต้องซ้อมไว้ก่อนเราต้องคอยสอนใจต้องคอยทำการบ้านอยู่เรื่อยและเวลาที่เราเจอคนเราจะได้ทำได้ถ้าเราไม่เตรียมไม่ซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาที่เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาเราจะไม่สามารถยับยั้งจิตใจ ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ไปจองเวรจองกรรมแก่ผู้อื่นได้นี่คือความหมายของการแผ่เมตตาตอนที่เราสวดมนนั้นเรายังไม่ได้แผ่จริงๆเป็นการซ้อมก่อนเวลาแผ่จริงๆต้องอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกับยังไม่ได้เข้าห้องสอบนั่นเอง ถ้าเป็นนักมวยก็ยังไม่ได้ขึ้นเวทียังชกอยู่ที่ข้างนอกเวทีชกกระสอบทรายรู้ชกกับคู่ซ้อมซึ่งเขาไม่เอาจริงเอาจงเหมือนกับเวลาที่ขึ้นชกบนเวทีตอนนั้นคู่ต่อสู้เขาจะต้องทาทุกวิถีทางที่จะต่อยให้เราล้มไปให้ได้ ฉันใดเวลาที่เราแผ่เมตตาในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระนี้เรายังไม่ได้เจอของจริงเรายังไม่ได้เจอความอาฆาตพยาบาทความเครียดแค้นความโกรธแค้นโกรธเคืองต่างๆเวลาที่เราไปเจอเราถึงจะรู้ว่าเราแผ่เมตตาได้หรือไม่ถ้าเรายังโกรธยังอาฆาตพยาบาทยังเกลียด ก็แสดงว่าเรายังแผ่เมตตาไม่ออกตอนที่เราแผ่ตอนที่สวดมนนั้นมันยังไม่ได้เป็นการแผ่ที่แท้จริงนั่นเองแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะทําได้เพราะเราจะเห็นคุณประโยชน์ของความเมตตาว่าความจริงแล้วความเมตตานี้มีประโยชน์กับใจของเรา มากกว่าผู้อื่นผู้ที่เรามีความโกดเกลียวอาฆาตพยาบาทเพราะถ้าใจเราขาดความเมตตาแล้วใจของเราก็จะต้องรุ่มร้อนทุกทรมานใจแล้วก็จะต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วต้องไปใช้เวรใช้กรรมทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้ว ตอนมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปติดคุกติดตารางและงลาตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายไปตกนรกเป็นต้นเพราะขาดความเมตตาขาดอภัยทานดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่เป็นทานที่สําคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าการให้วัตถุทานหรือวิทยาทานทานชนิดที่4ที่เรา ให้ได้ถ้าเรามีก็คือธรรมทานธรรมทานก็คือการให้ธรรมะการให้ธรรมะนี้พระพุทธองค์ทรงตัดว่าเป็นการชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าเรามีธรรมะที่จะให้ผู้อื่นได้อย่างเช่นวันนี้ญาติโยมได้มาได้ยินได้ฟังธรรมะได้รู้จักการให้อภัยน อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์กับญาติโยมเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าญาติโยมไม่รู้จักการให้อภัยโอกาสที่ญาติโยมจะหลุดพ้นจากอเวจี G, หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในอบายนี้จะไม่มีเลยแต่พอวันนี้ได้ยินได้ฟังเรื่องการให้อภัยแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติได้ญาติโยมก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง จิตใจจะอยู่ห่างไกลจากอบายและจะอยู่ใกล้พระนิพพานเข้าไปตามลาดับนี่คืออนิสง์ของการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงให้เงินให้ทองก็เพียงแต่ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากทางร่างกายเช่นขาดสนขาดขาดอะไรก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อได้ขาดยาก็ไปซื้อยาขาดอาหารก็ไปซื้ออาหาร ขาดที่อยู่อาศัยขาดเครื่องนุ่หงห่มก็เอาไปซื้อได้ <c oughs> ก็ผ่อนผ่อนคลายความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ทางด้านจิตใจนี้ไม่ได้ผ่อนคลายเลยและถ้าให้แบบไม่ถูกวิธีก็กลับทำให้จิตใจนั้นเสื่อมลงถ้าให้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลผู้ที่มาขอทีไรก็ให้เขาไปทุกที ก็จะทำให้เขานี้เสียนิสัยไม่คิดที่จะพึ่งตนเองเวลาเดือดร้อนขาดอะไรก็จะเป็นขอทานไปขอเงินขอทองของผู้อื่นการให้แบบนี้จึงไม่สมควรควรจะให้แต่ในกรณีที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเขาได้จริงๆอย่างนั้นให้ได้ แต่วิธีที่จะให้ดีกว่า น, นั้นก็คือนอกจากให้เงินให้ทองเขาแล้วควรจะให้วิทยาทานเขาด้วยสอนเขาให้รู้จักวิธีทำมาหากินหาเงินหาทองอย่างในสุภาษิตจีนที่มีพูดไว้ว่าสอนให้เขารู้จักหาปลาดีกว่าให้ปลาเขาไปว่าให้ปลาเขาไปเขากินหมดแล้วเขาก็จะกลับมาขอปลาใหม่ แต่ถ้าเขารู้จักวิธีจับปลาหาปลาได้เขาก็ไม่ต้องกลับมาหาขอปลาจากเราอีกเช่นเดียวกับการให้เงินให้ทองถ้าเราสอนให้เขารู้จักวิธีหาเงินหาทองให้เขามีสัมมาชีพที่เขาสามารถที่จะหาเงินหาทองได้ด้วยตนเองแล้วต่อไปเขาก็จะไม่ต้องมาขอเงินขอทอง ขอเงินขอทองจากเราเองนี่เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะคือสอนเขาให้รู้จักวิธีที่จะสร้างที่พึ่งให้กับเขาเองทั้งทางกายและทางใจถ้าเขามีสัมมาชีพเขาก็จะมีที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจกายของเขาก็จะมีปัจจัยสี่ไว้ดูแลรักษาใจของเขาก็มีสัมมาชีพไว้ดูแลรักษาใจ ไม่ให้ไปเป็นขอทานไม่ให้ไปลักเล็กขโมยน้อยไม่ให้ไปทำผิดกฎหมายนี่คือการให้ธรรมะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีธรรมะเลยเราก็ยังให้ได้ด้วยการซื้อหนังสือธรรมะดีๆมาแจกให้แก่ผู้ถ้าเราเห็นว่าหนังสือธรรมะเล่มนี้ดีมีคุณมีประโยชน์ ทำให้หูตาสว่างทำให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนกันและกันเรานำหนังสือเหล่านี้มาแจกให้แก่ผู้อื่นพอผู้อื่นเขาได้อ่านแล้วเขาก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้สังคมของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข การให้ธรรมะจึงชนะการให้ทั้งปวงด้วยประการนี้เองนี่คืออาหารของใจที่เราสามารถเลี้ยงใจของเราได้ด้วยการให้สี่ประการนี้คือวัตถุทานวิทยาทานอภัยาทานและธรรมทานส่วนเสือ้อผ้าอาภรณ์ของใจ ก็คือศีลนี่เองเพราะศีลนี้จะทำให้ใจนี้สวยงามเป็นที่น่าเคารพนับถือกราบไหว้บูชาอย่างที่เรากราบไหว้พระเพราะว่าท่านมีศีลมากกว่าเราท่านสวยกว่าเราศีลนี่แหละเป็นความสวยงามที่แท้จริงของเราความสวยงามทางร่างกาย ทางเสื้อผ้าอาพรนี้เป็นความสวยที่ไม่จีรังถาวรร่างกายของเราจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเสื้อผ้าอาพรก็จะต้องเก่าลงไปเรื่อยๆเราจึงต้องหาเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่อยู่เรื่อยๆต้องคอยแต่งหน้าทาปากอยู่เรื่อยๆแต่ในที่สุดเราก็จะฝืนธรรมชาติไปไม่ได้ ร่างกายของเราในที่สุดก็จะต้องแก่ลงไปความสวยงามของร่างกายก็จะค่อยๆหมดไปแต่ความสวยงามของใจนี้ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาแต่กับจะสวยขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราจะสร้างศีลให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองศีล น, นี้ท่านว่าจึงเป็นสิ่งที่เป็น เสื้อผ้าอาภรณ์ที่แท้จริงของพวกเราถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามขอให้เรามีศีลเถิดแล้วเราอยู่ที่ไหนกับใครจะไม่มีใครเข้ารังเกียรติเราจะมีแต่คนเข้ารักเข้าชอบเขาเคารพนับถือให้เกียรติเรานี่คือเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์ของใจก็คือศีลนั่นเองศีลก็มีหลายระดับ ศีลห้าศีลแปศีล2องและวิธีที่จะมีศีลก็มีได้อยู่สมวิธีด้วยกันวิธีแรกเรียกว่าสมาทานศีลอย่างที่ญาติโยมได้ทําไว้เมื่อกี่นี้เรียกว่าสมาทานศีลคือมีการสมาทานมีการขอให้พระช่วยสอนว่าศีลห้ามีอะไรบ้าง การขอหรือสมาทานศีล น, นี้ไม่ได้หมายความว่าขอศีลจากพระแบ่งศีลของพระมาให้กับเราศีล น, นี้แบ่งให้กันไม่ได้ของใครของมันอยากจะมีศีลจะต้องรักษาเองเ <c oughs> มื่อกี้เราก็ได้สมาทานศีลห้าพระก็บอกศีลห้าให้แล้วเ <c oughs> มื่อเรารู้แล้วถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติรักษาเราก็จะมีศีลขึ้นมา นี่เรียกว่าสมาทานศีลศีลอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าศีลวิรัตคือการกำหนดตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาด้วยตัวเราเองว่าวันนี้เราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาเราสามารถ มีศีลนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องมาวัดก็ได้เราอยู่ที่ไหนพอเรามีความอยากที่จะรักษาศีลเราก็เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานบอกกับตัวเราเองว่าวันนี้จะรักษาศีลห้านะจะละเว้นจากการกระทำบาปกรรมต่างๆอย่างนี้แล้ว <c oughs> เราก็รักษาไปก็แสดงว่าเรามีศีลได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปหาพระ มาสมาทานเพราะศีลนั้นอยู่ที่การรักษาของเราเองพระรักษาให้เราไม่ได้เราเต้องเป็นผู้ที่รักษาและการจะรักษาได้ก็อยู่ที่เจตนาความตั้งใจวันนี้เรามาวัดเรามีเจตนาตั้งใจจะมาสมาทานศีลเราก็ได้สมาทานศีลและได้รักษาศีลแล้วถ้าเราไม่ได้มาวัด เราอยู่บ้านเรามีเจตนาอยากจะรักษาศีลแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะรักษาศีลขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลวิรัตนะคือการคือการกำหนดขึ้นมาว่าจะละเว้นจากการทำบาปทั้งห้าข้อส่วนการมีศีลชนิดที่สมนี้เรียกว่าเป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลโดยธรรมชาติ คือพระ อ, อริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ท่านจะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดเพราะท่านมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมว่าบาปกรรมนี้เกิดจากการกระทําผิดศีลห้านี้เองท่านไม่อยากจะ ต, ต้องไปใช้ชดใช้กรรมในอบายก็จะต้องรักษาศีลห้าโดยเด็ดขาดคือยอมเสียชีวิต เพื่อที่จะรักษาสินห้าดีไว้ถ้ามีปัญญาแล้วการรักษาศินห้าก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติมันจะมีอยู่ในใจของของมันตลอดเวลาว่าทําไม่ได้การละเมิดศินห้าไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกรณีใดก็ตามแม้การรักษาชีวิตก็จะละเมิดการรักษาศินห้าไม่ได้ละเมิดศินห้าไม่ได้ พระโสดาบันท่านยอมตายดีกว่าทำบาปทำกรรมพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพออาาระอรหังเป็นอย่างนี้ทุกรูปท่านจะไม่ทำผิดศีลโดยเด็ดขาดเพราะจิตใจของท่านมีศีลเป็นธรรมชาติแล้วนั่นเองนี่คือศีลชนิดที่สามซึ่งเป็นชนิดที่เราจะต้องไต่เต้าขึ้นไปเพราะศีลที่เราสองชนิดก่อนนี้ยังเป็นศีลที่แม่้มลูกคุกคาร บางวันอยากจะทำก็ทำบางวันไม่อยากจะทําก็ไม่ทําแต่ศีลของพระอริยเจ้านี้ไม่มีวันเว้นทำทุกวันรักษาทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกจนถึงวันตายแตะถ้ารักษาอย่างนั่นได้แล้วก็จะปิดประตูอาบายได้อย่างสิ้นเชิงไม่ต้องไปเกิดในอาบายอย่างแน่นอนนี่คือจิตของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าจิตท่านยังไม่ถึงพระนิพพาน ท่านจะเวียนว่าวตายเกินอยู่แต่ในสุขติและไม่เกินเจ็ดพาเจ็ดชาติเป็นอย่างมากหลังจากนั้นแล้วท่านก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้ด้วยการมีสีนี่เองพวกเราจึงกราบไหว้บูชาเคารพพระอริยเจ้าได้อย่างสนิทใจแม้ท่านจะเป็ินิพพานไปแล้วเป็นเวลาหลายพันปีด้วยกันเรายังกราบท่านได้อย่างสบายใจอย่าง อย่างสนิทใจเช่นเวลาเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะความสวยงามของจิตใจของท่านนี่เองเพราะท่านมีศีลโดยธรรมชาตินี่คือเรื่องของเสื้อผ้าอภรร์ส่วนที่อยู่อาศัยของใจที่ไว้หลบแดดหลบฝนหลบความทุกข์ความวุ่นวายใจก็คือสมาธินั่นเอง เวลาเราทำสมาธิจิตของเราสงบแล้วเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามพอเราเข้าสมาธิแล้วก็เหมือนกับเราเข้าห้องแอร์พอเข้าห้องแอร์ปิดประตูปิดหน้าต่างเสียงบรบกวนภายนอกก็จะไม่เข้ามาความร้อนภายนอกก็จะไม่เข้ามามีแต่ความเย็นความสงบความความสบาย จิตเวลาสงบอยู่ในสมาธิแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจะมีความทุกข์วุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามมันจะไม่ตามก็ามานี่คือที่หลบภัยของใจถ้าเรามีสมาธิแล้วใจของเราจะเย็นจะสบายเสมอหลังจากที่เราออกจากสมาธิใจของเราก็ยังจะเย็นอีกเรากลับไปหาเรื่องที่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา ใจของเราจะไม่วุ่นวายต่างไปด้วยถ้าวุ่นวายเราก็จะมี ม, มียารักษาใจนียาที่จะรักษาใจนี้ก็คือปัญญาสมาธินั้นเป็นเพียงแต่ดึงใจให้ออกจากเรื่องวุ่นวายต่างๆแต่พอไปเจอเรื่องวุ่นวายเข้าอีกไม่นานความสงบใจความเย็นใจก็จะหายไป ความวุ่นวายใจก็ือจะกลับมาอีกเราต้องใช้ปัญญาซึ่งเป็นเหมือนธรรมโอสถที่จะรักษาโรคภัยของใจก็คือความวุ่นวายใจความเครียดความทุกข์ใจต่างๆได้ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้จากการปล่อยวางเราจะรู้ว่าเรื่องต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นมันไม่เทียมมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเรา เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเราสอนใจอย่างนี้ถือเรื่อยๆ เ, เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่จะสร้างความวุ่นวายใจใจของเราก็จะปล่อยวางทันทีปล่อยให้มันเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่ใจจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่ไปหวังให้มันเป็นอย่างอื่นใครจะอยู่กับเราก็อยู่ไปใครจะจากเราไปก็ปล่อยเขาไปใครจะชมเราก็ปล่อยเขาชมเรา ใครจะด่าเราก็าปล่อยให้เขาด่าไปเราอย่าไปยินดียินร้ายเราไม่ไปสนใจสักอย่างแล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายใจของเราก็จะไม่ทุกข์เราต้องพิจนะารณาเสมอว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นธรรมดาเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ยึดไม่ติดกับอะไร เมื่อเราไม่ยึดไม่ติดกับอะไรเราจะไม่วุ่นวายใจไปกับอะไรเราจะได้ตำแหน่งหรือไม่เราจะไม่วุ่นวายใจเราจะได้เลื storm, ่อนยศเลื่นขั้นหรือไม่เราจะไม่วุ่นวายใจคนที่เรารักจะดีกับเราหรือไม่เราจะไม่วุ่นวายใจคนที่เรารักจะอยู่กับเราไปตลอดไปนานตลอดจนเราตายไปหรือไม่เราจะไม่วุ่นวายใจ เราจะยอมรับความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราพอเราปล่อยวางแล้วเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดจะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้แก่เราได้เลยนี่คือปัญญาที่เป็นยารักษาโรคของใจ เป็นธรรมโอสถสิ่งต่างๆที่ได้พูดนี้ก็คือปัจจัยสีของใจนั่นเองคือทานศีลสมาธิและปัญญาที่พวกเรากำลังมาสร้างกันเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของใจถ้าเราได้สร้างสารณะทั้งสีน่นี้ปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราจะมีสารณะมีที่พึ่งโลบสาใจของเรา ให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายให้ใจของเรามีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สร้างแล้วจะเป็นของพวกเราเช่นเดียวกันยังขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างสาระนี้ให้ท่านได้นำไปพิิศพิจารณาและปฏิบัติ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 และในทางใจโดยทั่วหน้ากันเธอ